ดูตรงโต๊ะข้างๆเขาก็พูดขึ้นมาว่าเนี่ยโง่ชิบหายเล ย, เยพูดแบบนี้เลยนะโง่ชิบหายเลยกินเหล้าแล้วก็โดนเหล้ากิ น, นแล้วก็หลังจากนั้นไม่นานเพื่อนเขาก็มีการทําบุญเลี้ยงพระอไม่ใช่เรียกว่าเป็นการทําบุญเปิดบ้านใหม่นะ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 นายไม่รู้อะไรนะเล่าเนี่ยมันเป็นของสับคนเล่าเนี่ยเป็นของคนสะถุนไอ้พวกเรานี่นะมันกินเบียร์นะกินเบียร์นี่มันของคนชั้นสูงนะเปี่ยเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรนะแต่ต่อมานี่ก็บอกว่าคนที่ชื่อกาเซียนนี่นะก็ติดเบียร์ในที่สุดนะวันหนึ่งก็กินสี่ห้าขวดทีเดียว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 นะมันใช้จ่ายเยอะมากน้อยก็รู้นะว่ารายได้ของพวกเราเนี่ยมันมีไม่เท่าไหร่เองเนะขืนกินเบียร์มากๆแบบนี้นี่ก็รายได้ก็ไม่เหลือเสียเสร็จแล้วก็พูดขึ้นมาว่าเนี่ยเหล่านี้เป๊กเดียวนี่เอาอยู่เลยอ่าทีแรกนี่บอกว่าเล่าเป็นของคนสะตุล น, นะแต่ตอนนี้นี่บอกว่าถ้าไม่กินเหล้านี่ทํางานไม่ได้นะมันดี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 เล่ามันทำได้เล่นงานได้แต่เฉพาะคนโง่เขารู้สึกมั่นใจว่าเล่าทำอะไรเขาไม่ได้เขาถึงพูดเช่นนั้นขึ้นมาว่าเนี่ยไอคนที่กินเรานี่โง่เนี่ยไอความมั่นใจว่าตัวเองนี่แน่เนี่ยนะมันทำให้เขาประมาทนะแล้วเขาก็เริ่มต้นจากกินเบียนะ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 ไม่ทราบเหตุผลว่าศึกเพราะอะไรแต่ว่ามารู้อีกทีผ่านไปสี่ห้าปีก็พบว่าทิศคนนี้ก็ติดเหล้าไปซะละติดเหล้าถ้าไม่กินเหล้าทำงานไม่ได้จากคนที่เป็นพระปฏิบัตินะที่ต่อต้านอใบายามุกกลายเป็นว่าติดเหล้าไปซะละแล้วก็ไม่ค่อยชอบ ไม่ค่อาชอบพระที่ต่อต้านอนบายมุกนะมันสวิงกลับไปเลยนะล้วตอนรังกินเหล้าหนักนะถ้าสุดท้ายไม่ทราบเป็นพ่ออะไรก็ฆ่าตัวตายนะเอาปืนกรอกปากตัวเองนะตายอันนี้ก็เรียกว่าเป็นเรื่องที่เป็นอุทาหรณ์สอนใจได้นะว่าความมั่นใจนะในตัวเองมันทำให้เกิดความประมาท แล้วมันไม่ใช่เฉพาะเรื่องเล่านะอาจจะเป็นเรื่องอื่นก็ได้เรื่องผู้หญิงเรื่องเซ็กหรือว่าเรื่องเงินหลายคนที่โจมตีด่านักการเมืองว่าคอร์รัปชันเป็นคนเลวขายชาตินะสุดท้ายก็ลงเอยด้วยการเป็นนักการเมืองคอร์รัปชันเสียเองหรือถึงไม่ใช่นักการเมืองก็อาจจะเป็นข้าราชการที่คอร์รัปชันอาจจะเป็นผู้อำนวยการอาจจะเป็นอธิบดีนะ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 คนที่ขี้ฉาเนี่ยนะในชีวิตจริงนะเวลาดูละครไทยนะก็จะเกลียดตัวฉามากเลยนะเกลียดตัวฉาจกนกระทั่งว่าดาราที่เป็นตัวฉานั้นเนี่ยเวล า, เ, าเวลาเขาเห็นในท้องถนนบางทีเขาก็อาจจะด่า ก, ก็ได้ดา่าดารานะที่เป็นตัวฉาทั้งที่มันมันนอกมันนอกเวทีไปแล้วมันนอกนอกบทนอกจอไปแล้วแต่ก็ยังอดไม่ได้ที่จะรู้สึกอินไปกับ ตัวดาราที่เป็นตัวไอ้ฉาคนเหล่านี้เนี่ยทําอย่างนั้นได้อย่างไงนะเพราะเขาไม่ได้มองตัวเองเขาไ ม, ไม่ได้มองตัวเองว่าเขาเองนี่ยก็มีพฤติกรรมไม่ต่างจากตัวผู้ร้ายหรือตัวไอ้ฉาในละครแล้วก็กลับมาดูตัวเองว่าเขานีมีพฤติกรรมไม่ต่างากันเนี่ยเขาจะไม่กล้าด่าผู้ร้ายในละครนะ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 เอาคุณเดินไปใกล้ๆเดินไปตรงระเบียงแล้วตะโกนสมทรงสมทรงก็ไม่ตัวสามีก็บอกว่าไม่มีเสียงตอบเลยนะงั้นเข้าไปใกล้ๆนะไปที่หน้าหน้าห้องครัวเลยตะโกนซะเรียกชื่อดังๆ เรียกชื่อสมทรงสมทรงก็ปรากฏว่าอ่าตัวสามีเขาบอกไม่มีเสียงตอบเลยจากภรรยาถ้าตอนนี้เขาทาอะไรอยู่หมอถามเขากําลังหันหลังให้ผมสงสัยกําลังล้างจานงั้นคุณลองไปไปที่ข้างหลังเขาเลยนะแล้วก็เรียกชื่อเขาสมทรงสมทรงสมทร ง, ทรงคราวนี้ภรรยาหันมาเลยถามว่า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 งั้นถ้าเกิดว่าคนเราเนี่ยหันมามองตัวเองเนี่ยนะแล้วก็ไม่เพง่งโทษคนอื่นเนี่ยเราก็อาจจะพบว่าโอ้ที่จริงเนี่ยเราคือเป็นเราคือปัญหาหรือไม่ก็เราก็จะระมัดระวังตัวเราเองได้ให้ดีขึ้นนะการปฏิบัติธรรมเนี่ยในพุทธศาสนาเนี่ยนะนอกจากการทําความดีเช่นการให้ทานการรักษาศีลแล้วนะสิ่งนี้ที่สําคัญคือว่าการที่กลับมา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 นะมันต้องกลับมาเห็นหรือรู้ใจของตัวเองมันก็แปลกที่ว่าเวลามีความคิดเวลามีอารมณ์เนี่ยไอสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันมันไม่ได้เกิดขึ้นกับใครมันก็เกิดขึ้นกับเราเกิดขึ้นกับใจของเราแต่ว่าคนจำนวนมากเนี่ย มองไม่เห็นหรือไม่รับรู้เช่นเวลาโกรธก็ไม่รู้ว่าตัวเองโกรธนะเวลาโมโหก็ไม่รู้ว่าตัวเองโมโหเวลาเศร้าที่ก็ไม่รู้ว่ตัวเองเศร้าและทั้วทั้งที่ความโกรธความโมโหความเศร้าเนี่ยมันกะ็ทําให้ทุกข์มันเผารนจิตใจมันบีบคั้นจิตใจมันทิ่มแทงจิตใจแต่ไม่รู้เมื่อไม่รู้มันก็เลย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 อาจจะเกิดจากตินฟ้าอากาศอาจจะเกิดจากอาหารอาจจะเกิดจากความเชื้อโรคน้ามาทิ่มหรือว่าก้อนหินมากระทบอนันนั้นเรื่องทุกกายแต่เรื่องทุกข์ใจเนี่ยมันเป็นมันเป็นผลมาจากอารมณ์ที่เกิดขึ้นในใจของเราเน่เพียงแค่เกิดความอยากขึ้นมาก็ทุกข์ละ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 แต่ม้ถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนะเฉพาะหน้าก็ตามเราได้ยินแต่เราไม่สนใจนเราก็ไม่ทุกข์ได้ยินหูเข้าหูซ้ายทะลุหูขวานะเราก็ไม่ทุกข์แต่พอเราเก็บเข้ามาคิดหรือว่าจิตใจจดจ่ออยู่กับสิ่งนั้นมันทุกข์ทันทีเช่นเสียงดังเสียงโทรศัพท์ดัง นะในศาลาถ้าเราไม่สนใจนะเรามาสนใจเสียงบรรยายนะที่อตาตมากาลังพูดให้เสียงนั้นก็ทำอะไรไม่ได้แต่พอเอาใจเนี่ยไปจดจ่ออยู่กับเสียงนั้นถึงแม้มันจะเป็นเสียงที่ไพเราะเป็นเสียงลิงโทนลิงโทนที่ไพเราะแต่ว่ายิ่งเราจดจ่ออยู่กับมันเท่าไหร่เราก็ยิ่งทุก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 ทุกเลยเครียดเลยหงุดหงิดเลยนะแล้วเราก็ปล่อยให้คำว่าไม่น่าจะเนี่ยมันเล่นงานจิตใจเรานะคำว่าน่าจะก็เหมือนกันนะนะคนทำงานมีความทุกข์พอคิดว่าเจ้านายเขาน่าจะเห็นความดีของเราเขาหน้าจะขึ้นเงินเดือนให้เราหรือว่า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 ไอการที่กลับมาตามดูรู้ทันใจงเรานี่สําคัญมากนะมันทําให้เราเนี่ยไม่ไปเอ่อมันจะทําให้ไอความคิดความรู้สึกหรืออารมณ์ต่างๆเนี่ยมันทําร้ายจิตใจเราได้น้อยลงคนเราเนี่ยทุกวันนี้เนี่ย เราไม่ค่อยรู้ทันในสิ่งที่พระเจ้าเรียกว่าอันตรายที่ปกปิดอันตรายมี2อย่างอันตรายภายนอกกับอันตรายที่ปกปิดอันตรายภายนอกก็เช่นงูเงี้ยวเขียวขอผู้ร้ายนะหรือว่าภัยธรรมชาติส่วนอันตรายที่ปกปิดก็คือไอ้กิเลสหรืออารมณ์อกุศลที่มันเกิดขึ้นในใจรวมทั้งความคิดต่างๆที่มัน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 เห็นแง่ลบของคนอื่นเห็นแง่ลบของตัวเองนะการคิดในแง่ลบนี่ยังรวมถึงว่านะการเห็นแต่จดจ่ออยู่แต่สิ่งที่ตัวเองไม่มีไอ้สิ่งที่ตัวเองมีไม่สนใจไม่ชื่นชมไปจดจ่ออยู่กับสิ่งที่ตัวเองไม่มีนะ บางคนได้โชคได้ลาบมานะแทนที่จะมีความสุขแทนที่จะพอใจกลับมีความทุกข์เพราะรู้สึกว่าฉันน่าจะได้มากกว่า น, นี้ไอ้สิ่งที่ฉันมีเนี่ยมันคือเสียไม่ใช่ได้มันมีเรื่องเล่า ว, ว่านะมีพ่อค้าคนหนึ่งเนี่ย อายุก็มากแล้วตอนหลังมาสนใจเรื่องการปฏิบัติธรรมก็เห็นคุณค่าของการทําสมาธิภาวนาะก็ตั้งใจว่าเนี่ยเยน็นวันศุกร์แล้วก็วันเสาร์วันอาทิตย์นเนี่ยจะตั้งใจปฏิบัติธรรมนะนั่งสมาธิแต่พราะว่าทําได้ไม่ไม่เท่าไหรนะเกิดปัญหาเพราะว่าถนนนะหน้าบ้านเนี่ยพอถึงเสาร์อาทิตย์นเนี่ยก็จะมีเด็กมาเล่นเล่นฟุตบอลนะเดี๋็กมาเล่นฟุตบอล มันเสียงของเด็กนี่รบกวนมากทำให้เขานั่งสมาธิไม่ได้เขารู้สึกญหงุดหงิดแล้วเขาสึกว่าเนี่ยทยํายังไงถึงจะให้เด็กเนี่ยมันเลิกเล่นทีแรกเขาคิดว่าจะไปไล่ตะเพิดเด็กแต่เขาคิดรู้ว่าขืนทําแบบนั้นเด็กก็คงมามาแกล้งเขาอีกหรือมาแกล้งเขาหนักขึ้นาการไล่ตะเพิดเด็กนี้ไม่ได้ผลเขาทํำยังไงก็ก็ลงไปหาเด็กนะแล้วก็บอกเด็กว่าโอพวกเธอนี่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 พ่อค้าคนนี้ก็ลงไปไปหาเด็กก็บอกว่าขอบคุณหนะ้าที่ม า, าเล่นกีฬาให้ลุงรู้สึกสบายใจนะแต่ว่าตอนนี้เงินไม่ค่อยมีนะเอาไปหนะ้าสิบบาทนะเด็กก็ยังดีใจอยู่นะเล่นเสร็จก็ไปอันที่ต่อมาเด็กมาอีกคราวนี้ลุงก็บอกว่าเนี่ยช่วงนี้ลุงไม่ค่อยมีเงินเลย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 เด็กคิดแบบนี้ฉลาดหรือโง่นะแต่บางทีเราก็เป็นเหมือนเด็กคนที่เหมือนกันนะเราก็รู้สึกว่าเราได้น้อยนะเพื่อาตามาคนหนึ่งนะเป็นนักเอเป็นนักเล่นหุ้นนะเล่นหุ้นเป็นประจำแต่ตอนนี้เขาเลิกแล้วเพราะเารู้สึกว่าการเล่นหุ้นเนี่ยนะมันได้เงินก็จริงแต่ว่า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 ได้กำไรเฉพาะกำไรนัสิบล้านบาทเพื่อตะมาก็บอกว่ายินดีด้วยครับคุณป้าคุณป้าบอกยินดีอะไรกันล่งนะถ้าฉันขายหุ้นวันนี้ฉันได้กำไรและยี่สิบล้านคุณป้าไม่มีความสุขได้สิบล้านนะแต่ไม่มีความสุขวัดลงขึ้นคุณป้าก็หายไปจากตลาดทุนเพื่อตะมาก็เลยไปถามมาร์เก็ตติ้งว่าคุณป้าหายไปไหนก็ได้คําตอบคุณป้า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 นี่คือวิธีคิดของคนเราที่ทําให้เราทุกข์แล้วถ้าเราไม่รู้ทันความคิดแบบนี้นะก็จะทุกข์เรื่อยไปคุณได้ร้อยล้านคุณก็ทุกข์นะเพราะคุณคิดว่าน่าจะได้200ล้านแนะทนที่จะคิดว่าได้ร้อยล้านกับคิดว่าเสียไปร100อยล้านก็เหมือนก็เด็กนะที่เล่นบอลแล้วคิดว่าได้10บาทแทนที่จะคิดว่าได้10บาทกับเที่ยตัวเองเสียไดเก้าสิคนเราทุกข์เพราะเหตุนี้มากแล้วถ้าไม่รู้เท่าทันตัวเองนะก็จะทุกข์แบบนี้เรื่อยไป